แต่บางแห่งก็แนะนำอธิบายให้พิจารณาอายตนะทั้งหนี่เหมือนกับฟองน้ำคุณหมอในทั้งห้าเนี่ยนะตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเอกายเนี่ยอะไรที่มันดูเหมือนฟองน้ำที่สุด <c ười> คือคำว่าฟองน้ำนี่หมายถึงสมมติว่ามันจะมีน้ำตกมาแล้วก็มีที่รองรับแล้วมันก็จะแตกฟองขึ้น ขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟองน้ำถ้าต่อมน้าฝนตกมาจากข้างบนแล้วก็ผุดขึ้นมาหน่อยเรียกว่าตอมน้ำอนหนร่างกายนี่ส่วนไหนเป็นฟองน้ำมากที่สุดอันไเอาในคือมองแล้วมันเหมือนฟองน้ำจริงจริงเนี่ย แต่ถ้าถ้าเป็นกระดูกมันก็กระดูกมันก็มีเหมือนฟองน้ำเยอะไหมไปส่วนกระดูกกันนะกระดูกเป็นโพรงหมดน่นะเหมือนฟองน้าหมดเลยนะถ้าส่วนอื่นๆก็อาจจะปอดนะ ป, อ ด, <c oughs> ปอดก็มีความเหมือนฟองน้ำสูงเ <c oughs> นี่ยนะ <c oughs> คือที่ใช้คำว่าฟองน้ำเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปกติฟองน้ำนะ ถ้าเป็นในในฟองน้ําจริงๆอ่ะที่มันพัดยาวๆนะในเนี่มันจะมีสัตว์อยู่ในนี้ด้วยพวกมแมลงนะโดยมแมลงแมลงหลายชนิดที่มันไปอยู่ในอาศัยในสิ่งนั้นๆได้กายนี้ก็เหมือนที่ว่าเหมือนกับฟองน้ําก็ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะเหมือนฟองน้ําด้วยเหมือนต่อมน้ําด้วยแล้วเกิดแล้วก็แตกเกิดแล้วก็แตกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับพยับแดด คือถ้าดูไกลๆนะมันก็เหมือนคนเห <median S 1> มือน <variables S 1> อะไรใช่ไหมแต่ถ้าดูในส่วนนั้นละเอียดละเอียดละเอียดมันก็ไม่เหมือนอะไรเลยสักอย่างมันก็ไม่เหมือนอย่างที่เห็นไกลนะคือคือภาพที่เราเห็นนะสมมติมนุษย์นะ่ะมันแล้วแต่ถ้ามองดูไกลหน่อยอาจจะเหมือนคนถ้ามองใกล้ๆๆมองจนถึงเลือดไปเองนะไม่ไม่มีสภาพหรือความเป็นคนเลยนะมันเขาบอกว่าเหมือนพยับแดดพยับแดดถ้าดูไกลๆมันจะเหมือนกับน้ําพอไปใกล้ๆแล้วมันไม่มีน้ําอ่ะ คนก็เหมือนกันเนี่ยนะที่เรียกว่าคนทั้งหลายร่างกายทั้งหลายนะถ้าเห็นดูไกลๆอ่ะก็เหมือนเหมือนคนจริงๆแต่ถ้าพอดูข้าละเอียดละเอียดละเอียดครับจริงๆนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยนี่ลิงก็เหมือนกันถ้าดูละเอียดละเอียดละเอียดเขาจะเป็นอะไรอีกคนกับลิงเหมือนกันไปนั่นคือบ่งถึงว่าคือพอมองเข้าไปละเอียดมันก็ไม่เป็นอย่างที่คนพานคิดคือคนพานคิดไว้อย่างไงมันไม่เป็นอย่างที่คนพานคิดไว คือถ้าไปดูละเอียดนะอันนี้นี่หมายถึงผู้แบบคนที่มีปัญญาที่เรียกว่าไปทําวิจัยเบ็ดเสร็จแล้วนะเช่นว่าคนพานเห็นว่าโอ้โหงามเหลือเกินเนี่ยแต่คนไปจริงๆอา้าวไม่มีนี่ถ้าบอกว่าโอ้โหมีความสุขมากนะร่างกายกระปีก้กระเป๋าดูแข็งแรงพอค้นเข้าไปอียดละเอียดๆมันป่วยได้ทุกส่วนในชะ่ไหมมันก็ไม่ดีจริงอ่ะนะหรือว่าคนพานคิดว่าเหมือนกับมีชีวะอยู่ในนั้นอ่ะนะพอไปตรวจสอบดูอา้าวก็ไม่มี ก็บอกว่าพอค้นไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นแบบที่คนผานคิดเนี่ยนะคนผ่านคิดไว้เช่นไรมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสูตรที่พระองค์ตรัสเป็นง่ายๆว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นที่ว่าไม่ควรถือมั่นคือไม่ควรไปถือว่ามันเที่ยงนะไม่ควรไปถือว่ามันสุกนะไม่ควรไปถือว่าเป็นอัตตานะเพราะอะไรเพราะถือมันก็ไม่เป็นอย่างที่ที่ถือเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นถ้ายืนอยู่บนความจริงแบบที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้นะคืออะไรไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะถ้าตั้งอยู่บนธรรมะอันนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าเห็นตามความเป็นเป็นจริงเนี่ยนะเห็นตามความเป็นจริงว่าเออความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าถ้ามีสัญญาสี่ประการเหล่านี้เอาไว้ในใจตลอดเนี่ยนะสัญญาเนี่ยควรเจริญนะเช่นอนิอนนจจะสัญญา อันนี้ควรเจริญให้มีสัญญาอันนี้เอาไว้ให้มากแล้วก็สองอะไรอานิจเจทุกขสัญญาเนะก็อีกชื่อหนึ่งนะอนิจเจทุกขสัญญาแปลว่าเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงก่อนในชั้นแรกอย่างที่สองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกข เนี่ยนะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่ามันทุกข์แล้วก็ทุกเขอนตัตตสัญญาคือเห็นในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะหรือเห็นความเป็นอนัตตาในตัวทุกข์ที่ว่าไปอนั้ทุกเขแปลว่าในาน ะ, อะขอพยันย้อนก่อนนะอันนี้จะสัญญาคือสําคัญว่าไม่เที่ยง อนิจเจทุกขสัญญาคือเห็นโดยความเป็นทุกขในสิ่งที่ไม่เที่ยง อ, อ น, อนทุกเขอนัตตาสัญญาคือเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกขนั่นแหละเนี่ยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีอีกคำหนึ่งคืออสุภาสัญญาเ <c oughs> นี่ยนะอนสุภาสัญญานะหนึ่ง ข้อหก็อสุภาษัญญาข้อสองอนิจจสัญญาข้อ3ทุกขสัญญาข้อ4อนัตตสัญญาข้อ5ก็เป็นสัพพะโลเกอนภิรตตอนภิรติสัญญาเนี่ยนะอนภิรติสัญญาเขาบอกว่าอนัพิรติแปลว่าไม่น่ายินดีสัพพะโลเกก็ในโลกทั้งปวงเนี่ยนะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือ วิราคะสัญญาว่าเจก้ก็ประหานะสัญญาเนี่ยนะเพราะนั้นสัญญาพระ อ, องค์ก็ให้เจริญเจริญเถอะให้สำคัญพวกขันห้าอายตนะทั้งหลายแบบนี้นะให้ตั้งไว้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้แหละอันเนี้ยคือคือแนวทางของพระผู้มีพระภาคว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินตามทางเส้นนี้เนี่ยนะ เดี๋ยวตอนหลังแล้วก็เอยกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเจริญสัญญาเหล่านี้จะได้อ น, นิสงอะไรนะคงเป็นครั้งต่อๆไปมันสัญญาไม่ใช่ว่าไม่ให้เจริญไม่ใช่ให้ไม่ไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้ตั้งให้ตั้งแต่ว่าจะตั้งสุภาษ ส, สัญญาสุขะสัญญาอัตตาสัญญานิจจสัญญาถ้าอย่างนั้นไม่ควรตั้งเนไเพราะสัญญานี้ถ้าโดยธรรมะก็เป็นอัญญสมนาเจตสิกใช่ อยู่ในกลุ่มัญญสมนาเจตสิกัญญสมนาเนี่ยนะแปลว่าเป็นเจตสิกที่เสมอทั่วไปทั้งกุศลและอกุศลอัญญสมนาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือสัพพจิตตสาธารณะกับตกิน ก, กะสัญญานี้เป็นัญญสมนาเจตสิกในกลุ่มสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเรื่องไย้นะยอนมาพวกที่เรียนจุล ประชฉสองมาแล้วนะทีนี้ถ้าไม่เจริญไอไม่ทำปริญญาอายตนะภายในทั้งหให้ดีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะในความเป็นของว่างเป็นอย่างดีก็จะมีไอส่วนที่ไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดอันนั้นคืออะไรก็ตันหาหมู่หเนี่ยนะตันหาหกหมู่นี่ก็จะเกิดขึ้น ถ้าไม่เห็นว่าตาเป็นเรือนว่างนะรูปปัตนหามันก็เกิดเนี่ยนะถ้าไม่เห็นหูโสดเป็นเรือนว่างนะสัทธตันหาก็เกิดถ้าไม่เห็นว่าจมูกเป็นเรือนว่างคันทัตันหาก็เกิดถ้าไม่เห็นลิ้นเป็นเรือนว่างรัศตันหาก็เกิดถ้าไม่เห็นกายเป็นเรือนว่างโพธภาษิตันหาก็เกิดถ้าไม่เห็นใจเป็นเรือนว่างธรรมะตันหาก็เกิด ทีนี้ถ้าตันหาเหล่านี้เกิดแล้วมันเสียหายอะไรล่ะมันก็ดีสิเนี่ยนะก็โลกนี้ถ้ามีความเพลิดเพลินมันก็มีความสุขแล้วใช่ไหมใครเพลิดเพลินมากก็สุขมากไม่ใช่เลยโอ้โหคนนี้มีความสุขจังเนอะร้องเพลงได้ตลอดอย่างเงี้ยนะก็ชาวโลกทั่วไปก็ชื่นชมแต่จริงๆแล้วอ่ะนั่นไม่ได้เป็นของดีอะไรเพราะอะไรเพราะว่ารูปปัญหาตันหาเ น, นี่ยจริงๆแล้วงานของเขาก็คือนําเกิดใช่ไหมรูปปัญหานําอะไรเกิด นั่นนะก็สร้างตาอันใหม่ให้เกิดสัตธาตันหาสร้างหูให้เกิดคันธาตันหาสร้างจมูกให้เกิดราสาตันหาสร้างลิ้นให้เกิดโพธาตันหาสร้างกายให้เกิดธรรมธตันหาสร้างใจให้เกิดเพราะฉะนั้นไอ้ธาตุหมู่หกเนี่ยจึงควรละเพราะถือว่าเป็นสมุทัยแห่งแห่งแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันเป็นเหตุแห่งกองทุกข์เหมือนั้นเถอะ จริงแล้วนะพระพุทธเจ้าสอนให้ละในสิ่งที่สัตว์ชอบนะแต่ว่ามันเป็นเหตุที่ไม่ดีทีนี้เลยมหาธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมคือความไม่เคารพหกนะอคาระวะหกทาให้เสื่อมส่วนคาระวะหกคือความเคารพหกอย่างก็เป็นเหตุให้วิเศษขึ้นเจริญขึ้นเห็นไนะ ความไม่เคารพหกนั้นที่กล่าวว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่มีความเคารพไม่เชื่อฟังในพระษาสดาไม่มีความเคารพไม่เชื่อฟังในพระธรรมพระสงฆ์ในในศิขาเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีความเคารพในปฏิสันถานไม่มีความเคารพในความไม่ประมาแล้วก็ไม่มีความเคารพในปฏิสันฐานเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุให้เสื่อมนะส่วนเหตุให้เจริญก็คือความความเคารพ ซึ่งข้อความในสังอังคุตรนิกายสัตจกะสูตรเนี่ยนะอังคุตระนิกายสัตตกานิบาสนะธรรมะหมวดเจ็ดในข้อหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดนี้สงสัยจะจําง่ายนะข้อนี้ทําไมรู้ไหมมันพ้องกับยุคผู้การดริงจำง่ายบอกว่าสัตกะสูตรอยู่ข้อไหนบอกว่านึกถึงผู้การแล้วจาข้อได้เลยข้อหกสิบเจ็ด สัตกา น, านิบาตคือสูตรนี้เป็นสูตรที่ประกอบการพิจารณาในการพิจารณาธรรมะเนี่ยอย่างมากแล้วก็สําหรับของอาตมาเองนั้นเป็นเครื่องเอาไว้ดูคนอยู่เหมือนกันเนี่ยนะสูตรนี้นะสัจจะสักกัจจะสูตรแปลว่าความเคารพนะสูตรว่าด้วยความเคารพสรกัจจะครั้งนั้นภาษารีบุตรหลีก หลีกออกเรนอยู่ในที่ลับคือก็คือหลีกไปแล้วก็เข้าพร ะ, ะสมาบัติหลังจากออกพร ะ, ะสมาบัติก็เกิดความปริวิตตกแห่งใจอย่างนี้ว่าเนี่ยนะก็คิดขึ้นว่าภิกษุสการะเคารพอาศัยอะไรอยู่หนอจะพึงละอกุศลพึงเจริญกุศลเอ๊ะถ้าเคารพอะไรนะจึงจะละอกุศลเจริญกุศลได้คือคือปกติส่วนทั่วๆไปควรจะมีความเคารพใช่ไหมเอเคารพอะไรนะ จึงจะละอกุศลและเจริญกุศลได้บ้างเนี่ยนะนะลดับนั้นท่านคิดดังนี้ว่าภิกษุสการะเคารพอาศัยพระศ า, ศาสดาอยู่แลจะพึงละอกุศลเจริญกุศลเนี่ยนะนะอันนี้ข้อแรกนะโอ้ถ้าเคารพพระพุทธเจ้าก็จึงจะละอกุศลได้เจริญกุศลได้ก็สองก็ภิกษุสการะเคารพอาศัยพระธรรม ข้อสก็ 3, าอาศาัยพระสงฆ bueno ์ข้อ4ี่ก็อาศัยสิกขาข้อหอาศาัยสมาธิข้อหกอาศาัยความไม่ประมาท bueno ข้อ7ก็อาศัยปฏิสันถานสูตรนี้เพิ่มมาคําเดียวคือสมาธินะเพิ่มคําว่าสมาธิมาด้วยอีกคำหนึ่งปกติแล้วในธรรมะหมวด6นี้มี6อย่างนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิกขาความไม่ประมาทปฏิสันถาน <ἠ melee> เพิ่มสมาธิไปอีกคํานึง อ, อาก็มีเจ็ดนะเพิ่มสมาธิเข้าไปอีกคำหนึ่งไงเนี่ยนะแต่ที่เหลือก็เหมือนกันทีนี้ท่านคิดเห็นอีกว่าธรรมะเหล่านี้ของเราเนี่บริสุทธิ์ผุดพ่องเออนะนะตาพูดพู ด, ออนะพดสัมนวนเราบอกคิดดีมากนะเนี่ยความคิดอย่างนี้ใช้ได้แจ๋วนะเพราะฉะนั้นเราพึงไปกราบทูลธรรมะเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าธรรมเหล่านี้ของเราจักบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นะ เปรียบเหมือนบุคคลได้ทองคําแท่งอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าทองคําแท่งของเรานี้บริสุทธิ์ผุดผ่องผิดฉะนั้นเราพึงนําเอาทองคําแท่งนี้ไปแสดงแก่นายช่างทองทองคําแท่งอนะของเรานี้ไปถึงนายช่างทองเข้าจากบริสุทธิ์และจากนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะ ก็คือได้แล้วก็อยากจะไปเปรียบเทียบกับเจ้าของธรรมอ่ะนะพอคิดธรรมะได้ก็ ه, ถ้าไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของธรรมแล้วมันก็บริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งนักธรรมะหมวดนี้ทีนี้ภาษาดิบุตรก็ออกจากที่เลนไปก็กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทราบตามที่คิดไปทั้งหมดที่กล่าวไปพระองค์ตรัสว่าดูก่อนดูก่อนสารีบุตร สาธุสาธุนะพระองค์อนุโมทนานะดีละดีละแปลว่ามาจากบาลีว่าสาธุสาธุเนี่ยนะแปลว่าดีแล้วดีแล้วเพราะฉะนัมมนนะ้นได้ยินใครเขพูดวาาสาธุสาธุแปลว่ า, า, า, ว า, า, นะวาดีแล้วดีแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวเออดีดีดนะนะก็เท่าๆกับแบบ ท, ทั่วไปก็บอกเออดีๆนะพิสุสาการะเคารพอาศัยภา ษ, า, ษ า, สาสดาอยู่แลจะพึงละอากุศลเจริญกุศลพิสุ สการะเคารพอาศัยพระธรรมอาศัยศิขาอาศัยพระสงฆ์อาศัยสมาธิอาศัยความไม่ประมาทอาศัยปฏิสันถานอยู่แลจะเพ่งละอกุศลเจริญอกุศลอันนี้พระผู้มีพระภาคก็รับรองว่าที่ภาษาริบุตรคิดเนี่ยถูกต้องเนี่ยนะพอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านภาษาริบุตรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดํำรับที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้วโดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าคือพอท่านฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคิดโดยพิสดารต่อตอนแรกท่านก็ไปคิดแบบยอ่อนะคิดแบบย่ อ, อ ก, ก่อนไปเล่าให้พระผู้มีพระภาคฟังพระผู้มีพระภาคก็สาธุอนุโมทนาก็กล่าวซ้ํากล่าวแบบนั้นแบบย่อพระษาริบุตรคิดโดยพิสดารขึ้นเ น, นี่ยนะแล้วพระองค์ก็รับรองกันนะของเรานี้ฟังแล้วคิดพิสดารได้ไหมเออนี่เคารพนะเคารพอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสง์ สิกขาสมาธิความไม่ประมาทปฏิสันถานนี่แหละจะพึงละอากุศลจเจริญกุศลได้ท่านฟังแค่นี้ปั๊บคิดได้โดยพิสดารเลยที่ท่านคิดพิสดารท่านคิดว่าคือสูตรนี้เหมือนกับลูกโซ่เนี่ยนะจ็อันนี่เหมือนกับกําไลทองอ่ะนะกไลทองอ่ะเจ็ดห่วงที่มันเป็นบ่วงต่อกันคือคือถ้าถ้ามองอันนี้ภาพจะนึกออกแล้วท่านบอกว่า ภิกษุไม่เคารพในภาษาสดาจากักเคารพในธรรมะข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุไม่เคารพในภาษาสดาชื่อว่าไม่เคารพธรรมะด้วยเนยี่ยนะอันนี้ correct. ข้อแรกก่อนนะข้อสองบอกว่าภิกษุไม่เคารพในภาษาสดาในธรรมะจักเคารพในพระสงฆ์ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะจะมีได้ภิกษุไม่เคารพในภาษาสดาในธรรมะชื่อว่าไม่เคารพในสงฆ์ด้วย ข้อสบอกภิกษุไม่เคารพในภษาสดาในธรรมในพระสงฆ์จักเคารพในศิขาข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นี่นะภิกษุไม่เคารพในภษาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ชื่อว่าไม่เคารพในศิขาด้วยข้อสี่บอกภิกษุไม่เคารพในภษาสดาในพระธรรมในพระสง์ในศิขาสกเคารพในสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิขา้อีกไม่เคารพในาสานะธิข้อี่ไม่เนาน ะ, ะมะด้ี่ไนดนะ ข้อต่อไปข้อห้าก็บอกว่าภิสูจนไม่เคารพในภาษาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิษย์ขาในส ม, นสมาธิจกเคารพในความไม่ประมาทข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ <im onie> ข้อต่อไปบอกถ้าหากว่าพิกูจน์มไม่เคารพในภาษาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิษยขาในสมาธิในความไม่ประมาทจากเคารพในปฏิสันฐานข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ <im onie> hein, ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายตรงกันข้ามก็บอกว่าถ้าผู้ใดเคารพในภาษาสดา ก็ที่จักไม่เคารพในพระธรรมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะอะไรเพราะภิกษุเคารพพระศาสดาชื่อว่าเคารพพระธรรมด้วยเนี่ยนะธรรมะเจ็ดข้อเนี่ยนะเป็นเหมือนกับลูกโซ่เป็นสังฆลิกกันยะสังฆลิกาก็แป ล, ปลว่าโซ่นั่นเองอ น, นะพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสง์ ศิกษาสมาธิไม่ประมาทเนี่ยนะไม่ประมาทปฏิสันฐานเนี่ยนะจ็ดยา น, นี้ก็เหมือนก็โซ่ห่วงกันอย่างนี้นแต่ที่จริงแล้วปฏิสันฐานก็ต้อง มาห่วงเข้ากับทางนี้อีกครั้งหนึ่งนะถ้าถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับกำไรทอะไรนะอะไรนะที่มันมาแบบมาข้อมือนะเจ็ดเจดอันอะมารอบๆเรียกว่าห่วงมืออะไรน่นะก็ก็สัมพันธ์กันข้อแรกก็บอกว่าถ้าเคารพนะนะสักการะคือถ้าสักการะเคารพนพระพุทธก็ชื่อว่าใน พระธรรมด้วยถ้าเคารพในพ Onion, าาระพูดในพระธรรมก็ชื่อว่าเคารพในพระสงฆ์ด ال ้วยถ้าเคารพในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ก็ชื่อว่าเคารพในศึกขาด้วยถ้าเคารพในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาชื่อว่าเคารพในสมาธิด้วยถ้าเคารพในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาสมาธิไม่ประมาทด้วยถ้าเคารพในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาสมาธิไม่ประมาทชื่อว่าเคารพในปฏิสันฐานด้วย แต่ถ้าไม่เคารพในพระพุทธคนนั้นจะชื่อว่าไม่เคารพในพระธรรมคือถ้าจะเอามาตามนี้นะเจข้อนี้เอามาวัดได้เลยถ้าใครล่วงเกินในเจดคำอย่างใดอย่างหนึ่งนะชื่อว่าไม่เคารพทั้งระบบถ้าเสียก็เสียระบบเลยถ้าดีก็ดีทั้งทั้งระบบเนี่ยนะอันนี้ก็ฟังสู่นี้ประทับใจมากตั้งแต่แรกฟังและฟังแรกๆก็ดีใจและชอบน่นะ ทำให้เห็นเห็นอะไรมากดีเนี่ย น, น, นเพราะว่าถ้าหากว่าใครอ่าล่วงเกินอย่างใดอย่างหนึ่งในเจข้อเนี่ยนะเช่นดูหมิ่นดูแคลแ น, นเป็นต้นก็ใช่สมมุติถ้าดูถูกสมาธินี่นะก็เท่ากับดูถูกใครก็ดูถูกพระพุทธเจ้าด้วยเห็นไหมการต้อนรับปฏิสันถารนี่แปลว่าการต้อนรับมีสองอย่าง ปฏิสันฐานแปลว่าการต้อนรับด้วยเนี่ยนะด้วยอมิตรกับด้วยธรรมะอมิตรปฏิสันถานกับธรรมะปฏิสันถานเนี่ยนะการต้อนรับด้วยอมิตรหมายถึงปัจจัยสี่น ะ, ะ, ะต้อนรับด้ว ย, ยปจยนะัยปจจัยสี่กับด้วยคําสอนนั่นเองเนี่ยนะเนี่ยนะอมิตรหมายถึงปัจจัยสี่ธรรมะหมายถึงคําสอน นั้นถ้าเจอกันก็ธรรมะปฏิสันฐานก็สนทนาธรรมนั่นเองเนี่ยนะถ้าอมิตรปฏิสันฐานก็มีอะไรมาเลี้ยงกันบ้างละ่ะอันนั้นก็เป็นไม่คำว่าเลี้ยงกันนี่ก็น้ําแก้วเดียวก็เรียกว่าเลี้ยงแล้วไม่ใช่ต้องกินโต๊ะจีนหมดหรอกอนึกแต่ถึงกับโต๊ะจีนอย่างเดียวยนะเนาะขนาดนั้นเลยนะ ม่ใคือการต้อนรับเชื้อเชิญนั่นเองปฏิสันฐานก็จะคล้ายๆอนุเคราะห์ถ้าเป็นถ้าเป็นคนทั่วไปเรียกปฏิสันถานกันถ้าเป็นครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์เรียกว่าสงเคราะห์เรียกสงเคราะห์สงเคราะห์ด้วยอ ม, มิตรกับสงเคราะห์ด้วยธรรมการอันนี้หมายถึงว่าเหมือนกับการรับแขกกันนะแขกบางคนก็เราก็ต้องรับด้วยอาหารใช่ไหมแขกบางคนก็ด้วยการสนทนาก็พอเนี่ยนะก็ว่าไปก็ถามผู้ช่มาก็ ตามความเหมาะสมเพระบางคนนี่รับไนดะ้อมิตรอย่างเดียวนะบางคนเขาก็ต้องการรับแต่ธรรมะอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ต้องการอมิตรบางคนถ้าได้ทั้งสองก็ดีทีนี้พอพระสารีบุตรบอกแสดงแบบนี้นะพระผู้มีพระภาคก็อนุโมทนาว่าสาธุสาธุส า, สา ร, รีบุตรถูกบ้างแล้วเี่ยนะแล้วพระองค์ก็แสดงซ้ําอีกรอบหนึ่งนั้นธรรมะบทนี้ก็เป็น พระพุทธพจน์ไปเลยเนี่ยนะเป็นพระพุทธพจน์ไปเลยเนี่ยนะสัมพันธ์กันนะตลอดสายอันนี้ก็ไว้เป็นเครื่องวัดถ้าล่วงเกินอย่างใดก็ชื่อว่าล่วงเกินทั้งหมดด้วยเนี่ยนะทำไม่เคารพพระพุทธก็ชื่อว่าไม่เคารพพระธรรมทาไม่เคารพพระธรรมก็ชื่อว่าไม่เคารพพระสงฆ์ทาไม่เคารพพระสงฆ์ก็ชื่อว่าไม่เคารพนาศิษย์ขาทาไม่เคารพในศิษย์ขาก็ชื่อว่าไม่เคารพในสมาธิทาไม่เคารพนสมาธิก็ชื่อว่าเคารพไม่เคารพในความ ไม่ประมาทาไม่เคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่าไม่เคารพในปฏิสันฐานเนี่ยนะในสัมพันธ์กันมากทั้งเจ็ดข้อก็โง่แล้วก็คิดว่าโง่แล้วก็ายเพื่อฉลาดก็พอจะประฉลาดได้บ้างนะ น, นก็อย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลที่ว่าเขามีโจรไปล่วงกระเป๋ากันนะเนาะสมัยสมัยก่อนนะเขาก็ฟังทำกันเยอะนี่เป็นร้อยเป็นพันอ่ะนะเมืองสาวัตถีก็ไปฟังทำในพระเช ต, ตวันนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนอะ่ะทีนี้พอไปมันก็มีพวกโจรล้วงกระเป๋าแต่สมัยก่อนเขาไม่มีกระเป๋าแบบเราเขามีแต่ผูกปมเลยนะใครมีสตังก็มัดปมไว้นะแต่เขามีสบายใช่ไหมท่อมสบายก็จะมัดไว้ชายผ้ามัดสตังไว้ชายปอมอ่ะ ก็มีอาชีพอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าโจนแก้ปมโดยตรงเลยนะก็นั่งฟังเทศไปถ้าคืนไหนก็ฟังดึกวันนั้นได้เยอะหน่อยคือสมัยก่อนเข้าฟังทั้งคืนนี่ใช่ไหมมัวแต่หลับแล้วก็แก้ปมแก้ปมเอานก็ได้ไปหลายตังค์อ่ะเงี้ยนะไม่สมัยนี้เขาเรียกว่าต้องกระเป๋าก็นั่งฟังทำทั้งคืนเนี่ยนะง่วงก็กระเป๋าหายเงี้ยนะเสร็จแล้ว ก็มีเจ้าหนึ่งก็ก็ไปนั่งฟังธรรมวันนั้นพระพุทธเจ้าเทศเองรู้อัธยาศัยว่าไอ้โจรคนนี้มันมีอุปนิสัยบรรลุพระองค์ก็แสดงไปนะโจรเลยบรรลุคนหนึ่งเลยย่งนีแล้วก็ไอ้พวกเอื่นโจรกลุ่มเอื่นที่ไปด้วยกันเนี่ยไม่ได้บรรลุหรอกคือโจรนี่เข้ามัวแต่ฟังธรรมอ่ะนะฟังก็งดีฮะก็ติดตามเรื่อยๆแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันกันนะสว่างก็บรรลุเป็นพระโสดาบันก็กลับบ้านแล้วเขคุยกัน้ hey, ได้เท่าไหร่ บอกไม่ได้อะไรเลยมันนี้ธรรมะดีเหลือเกินวันนี้ยนะบอกแกนี่มันโง่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะไปถึงบ้านก็ไปเล่าให้เมียฟังอีกบอกไม่ได้อะไรเลยหมายธรรมะวันนี้ดีมากอย่างนั้นนี่นะบอกเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่เมียก็บอกแกมันโง่สรุปแล้วพวกกับด่าอีกว่าโง่แม่บ้านกลับไปแม่บ้านก็ด่าอีกว่าโง่ไปรักไม่ได้เลยสักบาทหนึ่งกลับมาโจรก็เลยกลับไปวัดไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง อ๋อก็ตรัสเลยนะบอกว่าพวกที่โง่แล้วสำคัญว่าโ ง, ง่ก็พอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างกำลังกันแต่พวกที่โง่แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าโ ง, ง่ก็โง่ถาวรเนี่ยนะก็เลยไม่มีการได้บรรลุเลยนะคธอในกาลสมัยนะขนาดจะไปรักอย่างได้บรรลนะุคิดดูสมัยสมัยที่ดีๆแบบนั้นนะนะ <c oughs> กาลสมบัติเนี่ยนะก็ จะรับจ้างฟังธรรมก็มีอะไรก็มีเขาก็มีเยอะแยะไปหมดนะตัวอย่างคือเป็นสมัยกาลสมบัติเนี่ยนะเนี่ยนะอนาถาบินทิศกาก็เหมือนกันนะมีลูกชายเจ้าหนึ่งไม่สนใจวัดวาอะไรสักอย่างเลยอนีอ่จะเอาอยัางไงกับลูกคนนี้ดีคิดไปคิดมาเอางี้ก็แล้วกันไปฟังธรรมนะพ่อจะให้ถ้าไหลก็ว่าไปนะให้พันหนึ่งอ้าวโอสบายมากไปนั่งกไปกับเพื่อนเยอะอะไรไหมก็จะไปหลับใต้ธรรมมาศก็ได้ นะวัยรุ่นนะไปก็เทศกันไปแกก็ไปร่างหลับธรรมะเช้ามาก็เรียกพ่อมาพันหนึง่งเฮ้ยกินข้าวก่อนสิไม่ได้นั่งเอาก่อนนั่นนั่นนั่นนั่นเสร็จแล้วตอนหลังก็ช่วเอาใหม่วันพระเปลี่ยนไปเปลี่ยนบอกว่าไปอีกนะพ่อให้เกินกว่านี้อีกเลยแต่ว่าข้อแม้ว่าต้องจําให้ได้สักหนึ่งคาถาสักสักสองบรรทัดเนี่ยนะจํามาให้ได้สักสองบรรทัดนะพ่อจะเพิ่มอีกเท่าตัวเลยก็ไป ต่คืนนั้นพระพุทธเจ้าเทศเองนะก็เทศไปด้วยนะแกก็ประมาทคือคือปกติคนฉลาดมากกล่เจ้านี่นะก็อบอกว่าโอ้ยจะไปยากอะไรแค่ฟังแค่นี้และจําได้วันนั้นพระพุทธเจ้าบรรดาให้จําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยก็จําอะไรไม่ได้ก็ฟังไปเรื่อยจะต้องจําไม่ได้ฟังเพื่อจะจำ嘛นะจะเอาให้ได้ต้องฟังให้จําไม่ได้เขาบอกว่าจิตต่อพอฟังไปมันก็จิตคิดตามเรื่องพอติดตามเนื้อหามันก็ลืมเข้าจ้างหมดแล้วใช่ไหมไม่ลืมแล้วก็ ไอจิต ท, ที่ติดตามเรื่องไปตลอดเรียกว่าเคารพธรรมปารธนาจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงสิ่งนั้นเป็นยังไงก็สว่างมาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันร็จ แ, แล้วตกเช้านั้นอะ่ะปกติวานาันนั้นอนาถบินฑิกะก็พอเช้าก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านด้วยก็ลูกชาเนี่ยอุ้มบาตตามพระพุทธเจ้าไปเป็นพระโสดาบันนะไปถึงนี่พ่อควักสตังค์ให้เลยนะลูกชายนี่อายใหญ่เลยนะบอกไม่เอาพ่อไม่เอา <c oughs> นะพระพุทธเจ้าก็ถามว่า อ้าวมันเรื่องอะไรกันเลย ก, ก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะแต่ทางลูกนี่ก็อายมากเลยนะเพราะเป็นพระโสดาบันนี่รับจ้างฟังทำนะก็รู้สึกอายมากเสร็จแล้วก็สตังนี้ก็ไม่เอาละแล้วพ่อพองค์ก็ตรัสว่าคือทรัพย์สมบัตินะหน่อยนั้นอะ่ะถึงไปให้ลูกลูกก็ไม่ยินดีรอกเพราะว่าท่านได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะคือผู้ที่เห็นอริยสัจแทงตลอดโสดาปฏิมาคเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของ พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะคือก็ว่าพระเจ้าจักรพรรดิแบ่งสมบัติออกเป็นสิบหกส่วนแล้วเอาหนึ่งมาแบ่งเป็นสิบหกอีกครั้งหนึ่งก็สมบัตินั้นก็ไม่ถึงเศษเสี้ยวของอจักรพรรดิสมบัต mm ิ hmm. คือย่าว่าย่าว่ า, าโสดาปฏิมักเน mm ี hmm. ทีนี้ย่าว่าโสดาปฏิมักเลยว่ามีคุณมากอั น, นิี้สองมากขนาดนั้น mm hmm. พระองค์ตรัสถึงอั น, นิี้สองของอุโบสถศิลเนี่ยนะ อุโบสถศีลเนี่ยก็แสดงในแนวเดียวกันว่าอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์8ปเนี่ยนะประกอบไปด้วยองค์8ดหมายถึงอุโบสถที่เจริญรอยตามพระ้าหันเอาเอาเอาความบริสุทธิ์ในแปดข้อเอาพระ้าหันมาตั้งเลยคือพระ้าหันเนี่ยเว้นจากการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตพระ้าหันเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตลอดชีวิตพผ้าหันประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตพระ้าหันเว้นจากมูสาวาตตลอดชีวิตพระ้าหันเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตลอดชีวิต ผ่ า, ารหัสน์เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการตลอดชีวิตพผ่ า, ารหัสน์เว้นจากการประดับประดาตกแต่งดูการฟ้อนรำขับร้องตลอดชีวิตพผ่ า, ารหัสน์เว้นจากการนั่งที่นอนอที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ข้างในยัดด้วยนุ่นสำลีตลอดชีวิตเนี่ยนะแล้วก็มาขอสมาทานตามวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นต้นเสร็จแล้วก็มาเจริญเรียกว่าพรหมอุโบสถคือมาเจริญพุทธานุสติธรมมาสังฆาศีลาจารยาหรือเทวตานุสติเนี่ยนะ ก็มาเจริญอนุสติหรือเจริญเมตตาเจริญกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งากงั้นกขบอกว่ามีผลมากกว่านั้นเขาบอกว่ามีผลมากกว่าอะไรมีผลกว่าสมบัติของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองราชส6บแคว้นเียนะคืออินเดียเนี่ยนะสมัยพุทธกาลมันจะมีแคว้นใหญ่หญอยู่16แคว้นอังคามกะกาศีโกศนวัชีเจตีพวกเนี้ย ชนบทใหญ่ๆเนี่ยนะก็บอกว่าผู้ที่เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะปกครองรัฐแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นทองคําทั้งหมดด้วยเนี่ยนะหรือบางแห่งก็พูดถึงว่าในคาถาประพันธ์ว่าดวงอาทิตย์โคจรเนี่ยนะส่องรัศมีสว่างไปขนาดไหนทั้งหมดเนี่ยที่ดวงอาทิตย์ส่องเนี่ยเป็นรัตนะทั้งหมดเลยก็บอกว่าสมบัติอันนั้นเนี่ยนะ ถ้านับไปแล้วถ้าเทียบกับที่ผสมบัตินั่นมันสมบัติของคนกัมพระเนี่ยนะสมบัติของคนยากเห่านั้นเดินนะที่ที่สมบัติที่มีแต่ทองอะไรทั้งหมดเหล่านั้นนะท่านเรียกว่าสมบัติของคนยากทําไมเป็นอย่างนั้นลนะ่ะก็สมบัติของมนุษย์ถ้าเทียบกับสมบัติในสวรรค์แล้วมันห่างกันมากเนี่ยนะถ้าเทียบกับสมบัติของมนุษย์นะกับจาตุมหาราชห่างกันมากจริงๆเพรอไรเพระจาตุ ม, มหาราชเนี่ยนะมีความสุข เนี่ยนะเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพก็อย่างดีเนี่ยนะอายุวรนนะความสุขปฏิพาน์ก็ก็เป็นอย่างดีนะทุกอย่างดีหมดความสุขไม่ต้องป่วยสำนวนว่าไม่ต้องขับถ่ายอุจาระปัสสาวะไม่ต้องไข้ขึ้นความดันอะไรไม่มีสักอย่างเนี่ยนะก็มีแต่ความสุขแล้วก็ทุกอย่างก็รับแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบแล้วผู้ที่ปกครองที่ผสมราชสมบัติขนาดนั้นนะ ไม่ถึงเศษเสี้ยวของผู้ที่รักษาอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์แปนี้เลยเนี่ยนะพันอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์8นนนะน ป, ป8นี้ยังมีผลมากกว่ามากกว่าอธิปไตยหรือว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่แล้วไม่จําต้องกล่าวถึงระดับโสดาปฏิมัคเนี่ยนะว่าโสดาปฏิมักเนี่ยจะมีผลยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรภาคเพียรอย่างยิ่งที่จะให้บรรลุอริยสัจเนี่ยนะการแทงตลอดอริยสัจเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่จริงๆ